บทที่11อพันตรีพิบูร์สงครามพันตรีพิบูร์สงครามพันตรีพิบูร์สงครามยกเป็นนามชาติไทย เกียรติศักดิ์อันสูงสุดอย่าลืมบรรพบุรุษของไทยพันตรีพิบูลสงครามเสียงร้องเพลงดังแจ้วเจ้าดังมาจากประตูรั้วคนอายุ84กำลังดายาอยู่ในสวนหลังบ้านจึงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองประมาณเจ็ดนาฬกาของทุกวันหลานชายจะหาสรกเปล่ากลับมาบ้านหลังจากขายของหมด หากเดินร้องเพลงเข้ามาแปลว่าวันนั้นขายดีวันไหนขายไม่ดีก็จะไม่มีเสียงเพลงจากเขานอกจากเพลงพันปรีพิบู์สงครามแล้วอีกเพลงหนึ่งที่ยายได้ยินเขาร้องเป็นประจำก็คือเพลงธงไตรรงโดยเฉพาะเนื้อร้องที่ว่าสีแดงคือชาติสีขาวคือพระศาสนา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 ยายกินข้าวเช้ากันเถอะหลานชายตะโกนเสียงแหลมด้วยหิวข้าวและแม้จะหิวเพียงใดก็ต้องกลับมากินข้าวที่บ้านเพราะยายสั่งว่าอย่าไปซื้อข้าวกินหน้าหลานเสียดายตังข้าวบ้านเรามีเยอะแยะเองขึ้นไปจัดสำรับก่อนสิเสร็จแล้วค่อยเรียกยายอย่าลืมล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเสียก่อนละ่ะยายบงการ เมื่อหลานชายต้องไปขายของแต่ดึกแต่ดินเช่นนี้หน้าที่การหุงหาอาหารจึงตกเป็นของยายแล้วยายขึ้นมาเร็วๆนะครับผมหิวจนตาลายแล้วหนุ่มน้อยรู้ดีว่าที่ยายไม่มาทันทีเพราะไม่ต้องการเสียเวลามานั่งคอยกว่าเขาจะจัดการสำรับเสร็จยายก็ได้ย่าไปได้อีกสอกหรือสองสอก ทุกเวลานาทีมีค่าสำหรับยายเสมอยายผมทำงานใช้นี่ยายมากี่วันแล้วครับล้านชายถามขณะส่งจานสังกสีบรรจุข้าวสวยให้ยายเขาหาของไปขายได้สิบวันแล้วแต่ถ้ายายจำไม่ได้เขาก็จะบอกว่าส2องวันซึ่งแปลว่าเขาได้ใช้นี่ยายไปหนึ่งบาทกับ20สิบสตางค์ นี่ค่าชีวิตไอโตงเจ็ดวันกระมังยายแกล้งจำไม่ได้ด้วยหมายจะทดสอบความซื่อตรงของคนเป็นหลานมือข้างที่กำลังจะเปิบข้าวเข้าปากชะงักลงปากเถียงว่าสิบสองวันต่างหากรู้สึกดีใจที่ยายจำไม่ได้ไอ้หนูเองโกงยายสองวันเชียวนะ ไม่มากไปหน่อยหรือล้านคนอายุ8ปพูดขณะจุ่มมือลงในกระมังที่ใส่น้ำสำหรับชุก ม, มือเวลารับประทานอาหารผมเปล่าโกงแต่ผมจดของผมไว้ยายนั่นแหละขี้โกงทั้งขี้โกงและขี้ลืมเขาถือโอกาสใส่ความคนเป็นยายยายไม่ลืมรอกไอ้หนู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 คนเป็นยายถือโอกาสอบรมมารยาทให้คนเป็นหลานเอานิสัยลิงมาใช้ยังไงครับหนุ่มน้อยไม่เข้าใจก็อมเสียจนแก้มตุยทั้งสองข้างเลยนะสิที่ลิงต้องทำอย่างนั้นเพราะมันกลัวจะถูกแย่งแต่นี่เองไม่จำเป็นต้องทำอย่างลิงไม่มีใครแย่งเองหรอกค่อยๆกินก็ได้ ต้องฝึกไว้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในวันข้างหน้าถ้าเองไปบวชเป็นพระขืนไปทำอย่างนี้ก็ผิดวินัยแย่พระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะไอ้หนูเริ่มตั้งแต่มารยาทในการขบชันกระทั่งถึงการขับถ่ายของเสียยายไม่เคยบวชแถมยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วยายรู้ได้ยังไงล้านชายถามแกมเยอะอยัน ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ตำราเท่านั้นนะหลานการสดับตรับฟังจากผู้ที่ทรงความรู้ก็ทำให้เกิดปัญญาได้จริงอยู่ที่เอ็งว่ายายไม่เคยบวชแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่ที่ยายรู้เพราะพระท่านสอนหลวงพ่อช้างอีกละสิเอาเถอะจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ ท่านสอนก็จำเอาไว้โดยเฉพาะหลวงพ่อช้างนั้นท่านเป็นพระที่เคร่งวินัยมากแถมเก่งทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเมื่อเองบวชก็ขอให้เก่งอย่างท่านนะไอ้หนูยายคาดหวังรับรองผมจะให้เก่งกว่าท่านสักร้อยเท่ายายคอยดูก็แล้วกันนุมน้อยโวคนดีเขา ไม่พูดยกตนข่มท่านหรอกหน้าหลานแต่เขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนยายขัดเสียงเรียบด้วยไม่ชอบให้หลานคุยโวโอ้อวดโอ้ยผมชักรำคาญแล้วนะอะไรๆก็สอนสอนสอนจนผมเบื่อฟังจะแย่อยู่แล้วอยู่โรงเรียนครูก็สอนกลับมาบ้านเจอยายสอนอีกนุ่มน้อยพูดอย่างรำคาญ ผ่านกินข้าวกินปลาไม่ลงเอาดือด้อขนาดสอนจนปากเปียกปากแฉะเองก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มันมากไปนี่ครับยายเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่หลงเหลือไว้ในสมองเลยล้านชายเถียงไปข้างๆครูต่อไปเวลายายหรือครูสอนเองก็เอามืออุดหูไว้ข้างนึงก็แล้วกันนะ จะได้ใหม่ทะลุออกไปยายแนะนำรันเห็นหลานอิ่มข้าวจึงท้วงว่าอะไรกันทำไมถึงอิ่มเร็วนักจะกินลงได้ยังไงกินข้าวผสมเสียงบนของยายนะ่ะมันอร่อยนักหรือลองยายมาเป็นผมบ้างแล้วจะรู้หลานชายกระเ ง, งากระ ง, งอด ไอ้หนูเอ้ยเองโชคดีนะที่มียายคอยอบรมบ่มนิสัยอย่างนี้เอาเถอะวันนี้เองจะรู้สึกกำคาญว่ายายจู้จี้ขี้บน่นแต่วันข้างหน้าเองจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อเองอย่างมหาศาลเชละจำคำยายเอาไว้ไม่เห็นหลานอิ่มยายก็พลอยกินไม่ลงไปด้วยจึงล้างมือ และหยิบก้อนข้าวที่เหลือคืนลงในหม้อดินเหมือนที่กลานเคยทำอย่าลืมห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนละ่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าครับไม่ลืมหรอกอยายบอกผมทุกวันผมจะลืมได้ยัางไงานุ่มวัยสิบหกประชดเขาจัดการคดข้าวใส่ใบตองพร้อมปลาทูทอดกับปูเค็มอย่างละหนึ่งตัวบางวันก็มีไข่ต้ม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 ไม่ใช่เพราะเขาจนกว่าคนอื่นแต่เพราะเขามียายตระนีเหนียวแน่นที่สุดในตำบล น, นั้นต่างหากตกลงผมทำงานใช้นี่ยายมาสิบสองวันแล้วนะครับหนุ่มน้อยยังไม่ลืมเรื่องนี่สินสิบวันไอ้หนูเองอย่ากโกงยายคนอายุเจ็ดรอบแยงผมไม่ได้โกงแต่ผมจดไว้จริงๆถ้าผมโกโหกยายแล้วก็ ขอให้ถูกฟ้าผ่าตายเด็กหนุ่มสาบานอย่าไอหนูอย่าสาบานยายรีบห้ามพร้อมบอกไม้บอกมือเล่นกับใครไม่เล่นยายจะบอกให้นะสมัยที่ยายยังสาวมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ อ, อยายมะเฟืองแกโกหกเป็นไฟเลยและก็ชอบสาบานขอให้ถูกฟ้าผ่าตาย แต่เวลาที่ฝนตกแกก็จะลงไปแอบอยู่ในตุ่มน้าเพราะกลัวฟ้าผ่าอยู่มาวันหนึ่งแกคงจะถึงกราวตายหรือไม่ก็เป็นเพราะฟ้าท่านรำคาญพอแกกล่าวคำสาบานเสร็จพายุฝนก็มาเลยทั้งๆ ท, ที่เป็นหน้าหนาวแกกลัวจนตัวสัน่นรีบวิ่งไปซ่อนในตุ่มน้าไอ้หนูเอ็งเชื่อไหมฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาทีตุม ตัวแกดำเป็นตอตะโกตายคาที่ทั้งๆั้งที่ตุ่มไม่แตกนี่ผัวแกเล่าให้ยายฟังนะเขาเอาศพไปไว้ที่วัดจวดเจ็ดวันก็เผาวันเผาก็เกิดพายุฝนอีกฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาบนเชิงตะกอนที่ลงศพของแกตั้งอยู่รุ่งเช้าเขามาเก็บกระดูกเอาใส่โกอดไปไว้บ้านฟ้าก็ผ่าลงมาอีก ที่โกรธตกลงยายมาเฟืองถูกฟ้าผ่าถึงสามครั้งสามครา ด, ด้วยกันขนาดตายไปแล้วฟ้าท่านยังตามมาลงโทษยายเล่าแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจแกมวันวาดไม่มีเลยสักคนท่านคงตั้งใจลงโทษยายมาเฟืองคนเดียวมันก็แปลกนะไอ้หนูเวรกรรมมีจริงไม่ต้องสงสยัย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 ล้านชายไปโรงเรียนแล้วยายจึงจัดการขุนข้าวนางดํากับนางด่างจากนั้นจึงหาบแสระคู่ชีพใส่ผลไม้ไปขายตามปกติตั้งแต่ล้านชายหาบผักสวนครัวไปขายยังตลาดบางขางยายก็มีหน้าที่ขายเฉพาะผลไม้แล้วก็นอนค้างที่วัดเช่นเคยแม้จะล่วงการผ่านวัยมาถึงแปดสหน้าฝน แต่ยายยังคงแข็งแรงกระชับกระเชงกว่าคนในวัยเดียวกันซึ่งบางคนช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจึงเป็นภาระที่ลูกหลานจะต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำหรือแม้กระทั่งคอยเช็ดปัสสาวะอุจจาระให้ยายคิดว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคงเป็นเพราะได้สะสมบุญเก่าไว้มากจึงทําให้สุขภาพดี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 สายมากแล้วยังไม่เห็นหลานชายกลับจากขายของยายเริ่มกังวลด้วยเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานรักเฝ้าเชิงเงะเช้งแงมองไปที่ประตูรั้วบ้านหลายครั้งก็ไม่เห็นแม้เงาของหนุ่มน้อยจะว่าขายไม่ดีก็คงไม่ใช่เพราะตั้งแต่ให้ตะกรุดของสมเด็จโตไปก็ขายดิบขายดีหมดก่อนคนอื่นทุกวันยายครุ่นคิด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 ก็ทิ้งจอบเดินไปหาหลานไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดท่วมตัวอย่างนี้ใครมันทำร้ายเองบอกมาสิยายจะไปตามฆ่ามันคนอายุ8ปดสบสพูดเพราะความรักหลานยายนะหรือจะฆ่าคนแค่ยุงตัวเดียวยายก็ไม่เคยฆ่าเออน่ะ ถึงจะไม่เคยฆ่ายุงก็ฆ่าคนได้ถ้าคนคนนั้นมันมาทำร้ายหลานยายยายไม่กลัวตกนรกเหรอครับผู้เป็นหลานยาวรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเพราะความซาบซึ้งในความรักที่ยายมีต่อเขาเออจริงของเองถ้ายายไปฆ่าเขายายก็ต้องตกนรกเขาทําบาปก็ตกนรกอยู่แล้ว ถ้ายายไปฆ่าเขาก็ต้องพลอยตกนรกไปด้วยถ้าอย่างนั้นยายไม่ฆ่าดีกว่านะไอหนูนะถึงยายจะรักเองมากเพียงใดแต่ยายก็ยังกลัวนรกว่าแต่ว่าเองไปทำอะไรมาเสื้อแสงมือไม้ถึงได้เปื้อนเลือดเกลรังอย่างนี้ยายถามสาเหตุผมไปเป็นหมอตําแยเอาลูกออกให้เขานะสิครับ นมน้อยตอบยังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆใครเขาอับจนถึงขนาดมาจ้างเองเชลย์ยายว่าคนคนนั้นมันน่าจะบ้าไม่บ้าก็คงจะเมาหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างยายปรามาตด้วยไม่เชื่อว่าหลานจะทำได้เขาไม่บ้าไม่เมาหรอกยายแล้วเขาก็ไม่ได้จ้างผมด้วย มันเป็นความบังเอิญหนักครับเขากำลังเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านแม่เขาแต่เกิดปวดท้องกลางทางผมก็เลยต้องช่วยยายลองทายซิว่าเขาเป็นใครผมบอกใบให้ใหก็ได้ว่าเป็นคนในตำบลบางม่วงหมู่นี่แหละนมน้อยชี้แจงแถมท้ายด้วยคำถามยายจะไปรู้ได้ยังไง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 ไอ้หนูเอ็งจะบอกก็รีบบอกอย่ามัวพูดเย็นเยออให้เสียเวลาแล้วนี่หม่ไปโรงเรียนหรือสายป่านนี้แล้วยายห่วงเรื่องเรียนจะไปได้อย่างไงายายเดี๋ยวก็ถูกครูตีอีกใครไปสายครูเขาเคียนหน้าแถวตอนเคารพธงชาติหลานชายบอกใครก็จะมัวมาเข้าแถวรอเคี่ยนเอ็งอยู่เล่าไอ้หนู ป่านนี้เขาเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วเขาไม่เขียนวันนี้แต่จะเขียนพรุ่งนี้สู้ขาดเลยดีกว่าพรุ่งนี้ผมก็เขียนใบลาแล้วก็จับมือยายลงชื่อรับรองนัยายนะความกลัวว่าหลานจะถูกเคี่ยนยายจึงจำใจรับปากถ้าเช่นนั้นก็ไปล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าซสก่อน เสร็จแล้วก็กินข้าวเช้ากันให้อิ่มน้ำสำราญและค่อยเล่าเรื่องหมอตแยายายหิวจนตาลายแล้วดีเหมือนกันผมเองก็หิวทั้งหิวทั้งเหนื่อยหนุ่มน้อยยอมตางถ้าคือเล่าตอนนี้ยายจะต้องกินข้าวไม่ลงเพราะความเป็นห่วงหลานสาวก็ผู้หญิงที่เขาทำคลอดให้นั้นเป็นลูกสาวคนโตของป้าจิต และป้าจิตก็เป็นลูกสาวคนที่สามของยายอิ่มข้าวแล้วยายก็คงจะชวนเขาไปเยี่ยมกลับจากเยี่ยมลูกสาวของป้าจิตเขาก็จะขออนุญาตยายไปเยี่ยมมารดาได้เห็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของผู้เป็นหญิงตอนคลอดแล้วทําให้เขาเห็นอกเห็นใจทุกคนที่เป็นแม่ยายเคยพูดเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าการออกลูกก็เหมือนกับการออกครบ